ก็กราบบูชาพระัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์แม้แต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบครวะบอาจารย์วัฒนชัยพระเถระเพื่อนสัตยมิตรเจริญพรแม่ชีอุบาสกุลาสิกาทุกท่านก็เป็นกิจวัตรประจําวันณของวัดป่าสุกโต ตอนเช้าตอนเย็นนะเราก็มาร่วมกันไหว้พระสดมน่นะเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็ได้พิจรารณาหลักธรรมนะในบทสุขมนต์นะที่ได้ผ่านไปให้เราสังเกตดูนะ ในขณะที่เราทําวัดสดมนะเราได้พิจารณาเนื้อหาคําแปลแล้วก็ทําความเข้าใจไปพร้อมกันตรงนี้ก็จะทําให้เราได้เกิดความเข้าใจนะเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนะก็เรียกว่าสุ ต, ตมัมยปัญญาเมืนะ่อเราเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปพิจารณาใคร์ครวน ให้มันมีเหตุมีผลเป็นการคิดคำนึงคำนวณ น, น, นี้ก็เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งเ็าเรียกว่าจินตามายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการจดจำนึกคิดซึ่งปัญญาทั้งสองส่วนนี้นก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่สุดเป็นปัญญาในขั้นต้นก็ยังดีดีกว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังหรือไม่ได้พิจารณา สิ่งสำคัญปัญญาในระดับสูงสุดก็คือปัญญาที่เกิดจากการที่เราเอาหลักธรรมหรือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยไปทําไปทดลองไปปฏิบัตนะิจนเกิดผลขึ้นมาเรนะาเรียกว่าภาวนามยปัญญานะเป็นเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการได้กระทาลงไปแลนะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะต้องใช้ความเพียรความพยายามความอดทนถ้าเราไปยินดีหรือพอใจเพียงแค่ปัญญาในระดับการได้ยินได้ฟังหรือการจดจำการคิดนึกอายเหตุหาผลเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่สามารถรที่จะแก้ปัญหาก็คือความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้แต่ไม่ได้ก็ตามที่เราปฏิบัติลงไปทาลงไป ศึกษาลงไปลองผิดลองถูกมันก็จะได้คำตอบขึ้นมาและมันก็จะเป็นปัญญาที่สามารถแก้ทุกได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะยินดีน่าเพียงแค่ปัญญาที่ได้ยินได้ฟังหรือปัญญาที่นึกคิดเอ า, าเราจะต้องเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยไปปฏิบัติไปกระทาทีนี้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ย นะที่เราเรียกว่าเป็นหลักธรรมเนี่ยโอ้มันมีมากมายนะอย่างพระตไตรปิฎกมีตั้ง8ปดหมี่พันระธรรมคัมภีรนะ์พูดง่ายๆมีตั้ง8ปดหมี่พเรื่องถ้าเราจะมาทั้งหมดเนีนย่ยเาคุณจะไม่ไหวนะเราก็คงต้องเลือกเอาหลักธรรมที่สําคัญนะอันใดอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นหัวใจนะเป็นสุดยอดนะของธรรมะนะเรียกว่าเอามาทำ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เคยได้กล่าวไว้นะครั้งหนึ่งว่าเมื่อท่านได้เสด็จไปที่เมืองเมืองหนึ่งแล้วก็ไปนั่งพักแล้วก็หยิบใบไม้ขึ้นมาเขาเรียกว่าใบประดูลายแล้วก็ถามพระภิกษุที่มาด้วยกันว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกำมือเนี่ย อันไหนมันจะมีมากกว่ากันพนะระภิกษุทั้งหลายก็ได้กล่าวว่าใบาไม้ในป่ามีมากกว่าใบาไม้ในกำมือผู้ตองก็เลยเฉลยออกมาว่าความรู้รู้หลักธรรมที่ท่านรู้เนี่ยมากมายมหาศาลเปรียบเหมือนใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่จะเอามาใช้จริงๆเนี่ยเพียงแค่กรมือเดียวนะธรรมะที่เป็นธรรมะกามือเดียวก็คือธรรมะที่มุ่งตรงใาต่อการที่จะแก้ทุกดับทุก นาที่จะเรียนรู้ทุกนาที่จะเข้าใจทุกหาสาเหตุนาแล้วก็มีวิธีการที่จะดับทุกนาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นหลักธรรมที่เราน่าจะได้นํามาพิจารณ า, าแล้วก็มีเออหลักธรรมนาหรือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้พูดไว้ชัดเจนเขาเรียกว่าทางเอกนาหรือทางทางสายเอกนาที่จะทำให้เราหลุดพ้น มาจากความทุกข์ทั้งหลายนะก็คือมหาสติปัฏฐานนะก็คือการที่เรามาฝึกมหาสติปัฏฐานนั่นเองมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนาถือว่าเป็นสูตรสำคัญนที่จะใช้นในการที่เราจะ เ, ออเข้าใจความทุกข์นเข้าใจสาเหตุของทุกข์นเข้าใจความดับทุกข์แล้วก็รู้วิธีการที่จะพ้นจากทุกข์ได้ ทีนี้มาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะถ้าเราไปดูเนี่ยมันก็จะมีสาระสำคัญอยู่สี่ส่วนก็คือให้เรามีสติลงไปที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมคำว่ากายในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรกายก็คือร่างกายของเราเนี่ยนะซึ่งก็อาจจะเป็นกายหยาบนะก็คือการเดินการเคลื่อนไหวนะหรือกายที่ละเอียดก็คือลมหายใจนะตรงนี้เป็น เป็นเครื่องมือานาที่จะทําให้เราเนี่ยปลุกความรู้สึกตัวหรือสติขึ้นมานอกจากนั้เรายังมีวิธีอื่นอีกมากมายานะที่เราสามารถจะมาพิจารณาได้การพิจารณาซักศพก็ดีการพิจารณาธาตุก็ดีน า, า, า, า, าน h i s ก็เป็น เ, เป็นเทคนิคานาเป็นวิธีการานาที่เราจะเอามาเรียนรู้านาเรื่องกายเรื่องใจของเรา ทีนี้ในส่วนของอที่บ๊ะป่าสุโกโตเนี่ยนะเราก็จะเน้นนะการเจริญสติในะในส่วนของกายนะด้วยการเคลื่อนไหวนะเรียกว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว น, นี้จะแตกต่างจากการทำกรรมฐานวิธีอื่นๆนะตรงที่ว่าเราจะไม่เน้นให้นั่งหลับตาไม่ได้เน้นให้สงบแบบนิ่งนะแล้วก็ไม่ได้มีคำบริกรรม เราลืมตาเราเคลื่อนไหวให้มีความรู้สึกตัวหรือมีอสตินาอยู่กับการเคลื่อนไหวของมือของเท้าอย่างที่เรานั่งทํากันเนี่ยาการเคลื่อนไหว14จังหวะซึ่งวิธีการนี้ถ้าไปดูในพระไตรปิฎกไม่มีหรอกนะที่มายกมือเนี่ยแต่มันมีหมวดที่ที่พูดถึงการที่เรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนะก็คือหมวดอริยบทนะอริย บ, บพะ แล้วก็สัมปชัญญะบัพเพิกก็คือให้มีสติในการเดินในการนั่งในการนอนงานในการไปไหนมาไหนในอิริยบทต่างๆรวมถึงอิริยาบถย่อยงาเช่นการนึ่งโฮมการขบฉันการดื่มการเคี้ยวการพูดการคิดการอุจจาระภาษะการไปไหนมาไหนเนี่ย นะให้เรามีความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนีเน้เป็นอุบายนะที่จะให้เรา เ, เรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวชีวิตประจําวันของคนโดยส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะคนที่ทํางานในเมืองนะใจของเรานนี่มัจะไปกับสิ่งภายนอกกับเรื่องสังคมการเมืองเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวเรื่องการงาน นาใจเราไปอยู่กับเรื่องพวก น, นั้นมากมายนาใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนามันเกิดอะไรขึ้นมานาเช่นมันมีสิ่งที่เราเไม่ชอบใจกระทบเข้ามานาหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นที่น่ายินดีนาเราก็รู้สึกไม่สบายรู้สึกเป็นทุกข์นั่นอย่างเช่วนเนี้ยอากาศมันเปลี่ยนแล้วจากหน้าหนาวเป็นหน้าร้อนบางคนอาจจะรู้สึกหยุดหยิด นะทำไมมันร้อนอย่างนี้ทำไมมันร้อนจังเลยนะอันเนี้ยแล้วเราก็ไปโทษสิ่งแวดล้อมไปโทษอากาศไปโทษสังคมไปโทษเศรษฐกิจไปโทษคนุู้นคนนี้นะความทุกข์เกิดจากคนอื่นไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราไม่รู้ความจริงว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเรานี่แหละนะมันเกิดขึ้นในใจเราเองนเนี่ใจที่มันไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งใจที่มันไม่รู้เท่าทันอารมณ์ ต, ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ทุกของเราได้เพราะเราคิดว่าทุกมันเกิดจากสภาพแวดล้อมเกิดจากคนอื่นเกิดจากอากาศเกิดจากสิ่งต่างๆที่แท้แล้วเนความทุกข์มันการในใจเรานี่แหละนะเกิดในใจที่เราไม่รู้เท่าทันนั่นเองถ้าอย่างนั้นเราจะทําอย่างไรเราก็ต้องกลับมาดูหรือกลับมาสนใจ กับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเราอาวามหงุดหงิดความฟุง้งซ่านอาวามเบือ่อความไม่ไม่พอใจความพอใจความสุขความทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นอาการของธรรมชาติถ้าจะเรียกกันเป็นภาษาบาลีก็าจะว่านี้คือธรรมะเพราะนั้นการเรียนรู้ธรรมะนีไม่ได้ไปหนังสือไม่ได้ไอ่านเพ ปัตยปดกแต่เรามาดูที่ใจที่ไายของเราปไตย์ปิกที่แท้จริงอยู่ตรงนี้นะฮะแต่กอนตัวผมนิตามาเองนะก็อ่านหนังสือมาเยอะคิดว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนะมันเป็นคําตอบแล้วทาให้เราเข้าใจและเรารู้เราเข้าใจอธรรมะและแต่พอเราไปเจอเหตุการณ์ซึ่งไม่ไม่ได้ตั้งตัวนะะ กิดการกระทบกระทั่งทําให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาโกรธ บ, บ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟ้องแล้ ว, ว่าความรู้ที่ได้จากการได้ยินไปฟังก็ดีจากการจดจําก็ดีมันยังใช้ไม่ได้แต่เมื่อเรามาเจริญสตินะเรามารู้เท่าทันกายใจของเราเนี่ยนะเพียงแค่สิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นเท่านั้นเองเมื่อเราไปกระทบสิ่งที่ไม่พอใจเราก็เห็นและใจมัน ใจมันไม่ปกติแล้วมันหวุ่นวายแล้ว ม, มันเสียความเป็นปกติแล้วตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่โกรธเต็มที่ไม่โกรธร้อยเอร์เซนก่อนที่มันจะโกรธเราจะเห็นแล้วมันมีอาการมีเรียกว่ามีมีปรากฏการเกิดขึ้นในใจเราแล้ ว, ลวเ ล, เล็เล็กน้อยน้อยมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่โกรธเต็มที่เพราะฉะนั้นตรง น, นี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาดูที่กายที่ใจของเรา ใจเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมมองไม่เห็นเราจะไปดูใจเนี่ยเราไปดูตรงๆเลยไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีตัวตนแต่เราต้องดูที่กายทีนี้เครื่องดูที่จะใช้ดูคืออะไรสิ่งที่จะใช้ดูคือความรู้สึกตัวหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะไม่ใช่ใช้ความคิดไปดูถ้าเราใช้ความคิดไปดูเนี่ยความคิดมันหลอกเอาอย่างเราอ่านหนังสือเร า, เราคิดไปตงนั้นคิดไปตงนี้ นาเดยหลอกละแต่ถ้าความรู้สึกตัวนามันจะหลอกไม่ได้นาความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการที่เราเข้าไปสัมผัสรู้่าจากกายที่เคลื่อนไหวใจที่มันมุดคิดเริ่มต้นจากกายเคลื่อนไหวก่อนเพราะฉะนั้นกรรมฐานหรือการจเจริญสติในแนวเคลื่อนไหวเนี่ยเราพยายามที่จะให้เราเนี่ยมีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบ14จังหวะนาการเดินจงกลงก็รู้สึกกับการเคลื่อนไหว ในเท้าที่เราเดินน่ะเรียกว่าเป็นการเรียกเอาใจกลับมาอยู่เนื้อกับเนื้อกับตัวแต่ก่อนใจมันไปกับความคิดคิดโน้นคิดนี้คิดนั่ น, นบางทีมอนมันก็ยังไม่ยอมที่จะวางนะเพราะว่ามันไม่มันเคยชินเคยชินไปกับความคิดเคยชินไปกับอารมณ์แต่เมื่อเรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะใจมันก็จะอยู่กับกายพอกายมัน มันเคลื่อนไหวมันปวดเมื่อยเนี่ยเราก็จะได้เห็นมันเห็นมันแล้วเราก็วางใจได้ถ้าเราไปยึดไปถือมันมันก็จะหนักมันก็จะทุกนะตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เราเห็นแต่ก่อนเราไม่รู้ดีนะเราไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เช่นเวลาเราเปวดเมื่อยเวลาเราทุบเราก็พยายามจะหลบหลีลกไปหาสิ่งอื่นทํา เช่นเราเบื่อเราก็ไปดูหนังฟังเพลงหาของอร่อยอร่อยกินเรียกว่ากลบกลืนไปวันวันหนึ่งหรือบางคนมีเรื่องทุกข์มากๆก็เก็บกดเอาไว้กดไม่มันคิดไปนั่งนิ่งๆหลับตานะเข้าสู่ความสงบมัคิดแล้วมันต้องคิดกดอ่ซึ่งอันนี้ก็กดอีกเรียกว่ากลบกลืนก็ดูเก็บกดก็ดูเนี่ยไม่ใช่แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นทํำยังไง แล้วก็เรียนรู้มันด้วยความรู้สึกตัวอะไรมันเกิดขึ้นในื่อเรียนรู้คําว่าเรียนรู้ในที่นี้ก็คือเห็นมันการเกิดขึ้นของมันการแับไปของมัน่าซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องไปตามดูนะเพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวเดี๋ยวมันจะหายกับมันเองความคิดปรุงแต่งอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วมันจะผ่านไปเหมือนกับสารลมแสงแดดที่มันพัดผ่านมาแล้วก็พัดผ่านไป แต่ถ้าความไม่รู้เนี่ยบางทีเราก็ไปจดจํากักขังเอาไว้อารมณ์ที่ดีที่เป็นสุขเราก็อยากจะยึดเอาไว้แล้วเราก็มารืดถึงอยู่เรื่อยๆทั้งทิ้งที่ของนี่มันไปแล้วอารมณ์ความสุขนี่มันไปแล้วแต่ความจําเราจะมีอยู่มันก็เลยย้ำคิดย้ําทําในเวลาเดียวกันเจออารมณ์ที่เราไม่ค่อยชอบใจมีความทุกข์เราก็อยากจะผลักมันออกไปเราไม่อยากให้มันอยู่แต่บางครั้งมันก็ยังอยู่มันยังก็บจําอยู่ มันฝังแน่นอยู่ในจิตใจตราเตรึงประทับอยู่ในใจเราบางครั้งพอคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเป็นทุกข์ความสุขก็เหมือนกันซึ่งเหล่านี้มันทําให้เราเนี่ยมีจิตใจที่ไม่ปกตินะเดี๋ยวขึ้นขึ้นลงลงเพราะฉะนั้นสภาพตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เรามีความทุกข์ขึ้นมาทําให้เรามีความอึดอัดขัดเคืองหนักอกหนักใจนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ ไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งไม่รู้เท่าทันอารมณ์เครื่องมูอที่ทําให้เรารู้เท่าทันคืออะไรก็คือความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะนั่นเองการที่เรามายกมายกมือเนี่ยก็เพื่อที่จะปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วสติสัมปชัญญะที่มีอยู่แล้วให้มันฉับไวขึ้นจากสติสามัญให้กลายเป็นสติปัฏฐานหรือสติธรรมดาให้กลายเป็นมหนาสติ คำว่าหมาสติไม่ใช่สติมันมากขึ้นนะแต่สติมันไวมันไวที่จะทันกับความคิดไวที่จะทันกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราไปประสบสิ่งต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามายองยกน้ายกมือก็ดีเรามาเดินจมกลมก็ดีเนี่ยเราต้องการปลุกตรงนี้ปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่ให้มันตื่นขึ้นให้มันฉับไวขึ้นสติที่มีอยู่มันไม่เพียงพอเรารู้ว่าความโกรธไม่ดี ความหนุดหนุดไม่ดีความฟุ้งซ่านไม่ดีแต่มันห้ามไม่ได้อะถึงเวลามันกดไปแล้วมันรู้สึกตัวคบางทีสายไปแล้วหรือบางทีเราหมุดหนุดเราฟุ้งซ่ า, านเหมือนกันเราไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านแล้วเราก็ไม่รู้จะแก้ไข ย, ยังไงเราก็ไปหาสิ่งแวดแล้อมรอบมาช่วยแต่ไม่เรากบเกินไปวันหนึ่งปันหนึ่งเพราะนั้นตรงมื้มันก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้ความทุกข์มีอยู่เท่าไหร่ก็ยังมีอยู่เท่านั้นหรือบางทีอาจจะมากขึ้นเช่นคนไหนโกรธเนี่ย โกรธครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างความเคยชินในการที่จะโกรธต่อไปเพราะฉะนั้นใครโกรธบ่อยๆเนี่ยจะเป็นคนที่โกรธและจะโกรธง่ายแต่ไม่อะไรก็ตามที่เรามาเจริญสติเพียงแค่มันจะเกิดความโกรธหนึบๆเรียกว่าขัด อ, อกขัดใจนิดหน่อยๆมันเห็นแล้วพอเห็นดปุ๊บเนี่ยความโกรธเนี่ยมันจะหายไปเลยแต่แรกๆมันก็จะไม่หายหรอกมาใช้เวลาหน่อยถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยมันจะไม่เกิดความเคยชินที่จะโกรธนะแล้วก็เราทาไปเรื่อย ความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรามีสติสัมปชัญญะที่มั่นคงแล้วก็เห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรอบบ้านเห็นแล้วเห็นอีกการจเจริญสติไม่ต้องทําบ่อยๆทําเรื่อยๆนามีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนโดวยเพระคนที่เริ่มต้นใหม่คนที่มาใหม่เนี่ยขอให้มีความเพียรมีความอดทนสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เนี่ยนะ แรกแรกเนี่ยมันไม่ค่อยสวยงามหรอกสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันไม่สวยงามเลยมันไม่ใช่ว่ามาฝึกกรรมฐานแล้วมันจะนั่งสงบนิ่งสบายเยน็นอันนั้นมันภาพโปสเตอร์ที่เขาโฆษณาแต่สิ่งที่เราจะได้เรีนยนรู้เนี่ยเมื่อเรามีความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวบ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้าไปเห็นสิ่งที่มันละเอียดเข้าไปนะเช่นลมที่มันมาสัมผัสกับ ผิวกายกินดอกไม้หอมอ่อนๆกินดอกไม้ป่าซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยได้กลิ่นเสียงแมลงมันปีกรก้องอีตอนกลางคืนเสียงนกร้องสิ่งตร ง, ง น, นี้เราจะเริ่มมาสนใจสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมากขึ้นในสิ่งต่างๆมากขึ้นถ้าตรงนี้เราเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันก็จะเข้าไปเห็สิ่งที่เป็นความรู้สึกนะที่เรียกว่าเวทนาคำว่าเวทนานี่คือความรู้สึกความรู้สึกปวดเมื่อย ความรู้สึกร้อนเย็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์และความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยๆนั่นไม่เป็นสิ่งที่มันจะแสดงออกมาถ้าเราฝึกสติของเราให้ดีเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าเราดูต่อไปเรื่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้วซ้ําอีกเนี่ยมันก็จะเห็นจิตที่มันคิดนิดมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันกระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงเนี่ยมาที่มันซุกซน ความคิดเนี่ยมันจะเหมือนลิงที่ซุกซนแต่กเราไม่เคยที่จะเห็นมันมันพามันชักลากเราไปดีใจบ้างเสียใจบ้างฟูฟูแฟบแฟบใจเราฟูฟูแฟบแฟไม่ปกติเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราจเจริญสติบ่อยๆทำอยู่บ่อยๆเพียงแค่เราทําการเคลื่อนไหวเนี่ยให้บ่อยๆให้ทําอย่างต่อเนื่องหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้ทําอย่างต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่เขาบอกต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ในที่นี้ ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบนะไม่ใช่วันทั้งวันเราแต่รูปแบบอย่างเดียวแต่คนเริ่มต้นใหม่เนี่ยพยายามทำรูปแบบเยอะแล้วเมื่อออกจากลางจมกลมก็ดีออกจากการปฏิบัติก็ดีเดินไปที่กุติเดินไปที่ศาลาหน้าเดินไปทำธุระเข้าหนองน้ำเนี่ยให้พยายามที่จะรู้สึกตัวกับการก้าวการเดินการทำกิจธุระต่างๆการขบฉันการอาบน้า ให้มันมีความรู้สึกตัวอย่างนี้บื่อๆเรื่อยๆเนี่ยจนเม่อมันจะให้การเจริญติดของเรามีความต่อเนื่องเขาเรียกว่าต่อเนื่องแบบลูกโซ่ซึ่งหลวงพ่อทีมมั้นที่รูยชัดนะถ้าต่อเนื่องแบบลูกโซ่เนี่ยภายในหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอย่างเร็วนะอย่างกลางภายในหนึ่งปีอย่างชา้าที่สุดภายในสามปีความทุกข์มันจะลดลงนะอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพูดเอาไว้ เราได่ยินได้ฟังเราก็ถึงก็ไปเชื่อเราก็ต้องมาพิสูจน์จริงนะหลวลงพ่อพูดอย่างเงี้ยเรามาลองทําดูอย่งวันนี้กลิ่นมาเอ่อกลิ่นมาใหม่7วันลองดูซิเจวันเนี้ยนะเราพยายามทําให้มันต่อเนื่องลดการพูดการคุยนะลดการคุกคีนะแล้วก็ให้เวลาใส่ใจกับการที่จะกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆ ในขั้นต้นเนี่ยให้รู้สึกที่กายบ่อยๆให้มากๆใจอย่าเพิ่งไปสนใจมันความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจมันทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายบ่อยๆถ้ากลับมารู้สึกตัวที่กายบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นหลักให้เราไม่พัดหลงไปในอารมณ์ไม่พัดหลอนไปในความคิดเพราะฉะนั้นจิตก็ดีใจก็ดีความคิดก็ดีเนี่ยไปไม่สนใจเลยในขั้นต้นเนี่ยนะกลับมาที่กายเคลื่อนไหวกับมาทีกายเคลื่อนไหวบ่อยๆ ถ้าเรากลับมาได้บ่อยๆเนียมันจะมีหลักแล้วหรือถ้าความคิดอะไรมันผลขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ทันรู้ทันแล้วเราไม่ต้องไปปล่อยมันนะความคิดไม่ความคิดเนี่ยไม่ต้องไปห้ามแล้วไม่ตามตับมันรู้สึกตัวเดี๋ยวเขาจะไปของเขาเองนเหมือนจับลมเนี่ยมันก็พัดผ่านไปพัดผ่านไปความคิดอารมณ์มันก็พัดผ่านไปพัดผ่านไปเรามีหน้าที่ดูแล้วก็ผ่านดูแล้วก็ผ่านอย่าไปติดมาลไดอาลมหนึ่งอย่งบางคนเนี่ย ทำกรราฐานติดมาลมสงบนิ่งชอบตรงนั้นถ้าติดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ก้าวหน้าแล้ะมันจะนิ่งดิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วคนที่ติดสงบเนี่ยจะทําให้การพัฒนาจิดเนี่ยช้าและจะทําให้ไม่ค่อยอยากจะค้นหาสมาคมไม่ค่อยข้าสังคมะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เอเราไม่สามารถที่จะอยู่ในทุกสถานการณ์ได้ถ้าเราจะริยนสติเนี่ย มาเราสามารถที่จะอยู่ในทุกสถานการณ์ได้ในชุมชนที่วุ่นวายเราไม่วุ่นวายกับเขาในชุมชนที่สงบเราก็สงบได้เรเรียกว่าเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาสถานที่แต่ในขั้นเบงต้นเนี่ยจําเป็นต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่สงบช่วยก่อนมอย่างที่เรามาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่จะช่วยเร็น การเริ่มต้นที่สำคัญก็คือการมาจเจริญสติใส่ใจที่จะรู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวให้ได้บยบ่อยๆตรง น, นี้เนี่ยจะเป็นหลักเป็นฐานสำคัญแล้วเมื่อเรารู้สึกกับกายเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยมันจะเข้าไปเห็นใจที่คิดนึกเองโดยอัตโนมัติและความคิดที่มันเคยลากเราไปเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะลากเราไปได้แล้วเรามีตัวถ่วงแล้วความคิดนั้นมนมี2 อ, อย่างนะ หนึ่งความคิดตรุงแต่งที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดหนึ่งเพราะกาเขียนใช้คำบรรลักษ์คิดในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยความคิดจะนี้ไม่มีมากเลยยิ่งถ้าเรามานั่งฝึกเจริญสติโอ้โหมันจะพดมาพังพูเยอะแยะเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอย่าไปสนใจมันมันจะมาตอให้เราคิดตามมันไม่ตามแต่ก็ไม่ห้ามนะคําว่าไม่ตามก็คือมันคิดเราไม่ได้ไปตามคิดไม่ห้ามก็คือไม่ต้องไปห้ามมันให้มันคิดขึ้นมา มันจะคิดให้มันคิดกินมะแต่เราไม่สนใจมันเราไม่ให้ราคามันเรามาสนใจกับกายที่เคลื่อนไหวตรงนี้จะทําให้ความคิดมันอ่อนตัวลงความรู้สึกตัวมันจะเด่นขึ้นมาอันนี้จะเป็นสิ่งที่มาแทนที่กันใจเนี่ยมันจะรับรู้ได้ทีละอย่างถ้าความคิดมันครอบงําความรู้สึกตัวครอบงำไม่ได้ถ้าความรู้สึกตัวครอบใจความคิดเข้ามาไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะ ทำความรู้สึกตัวให้มันเด่นแล้วความคิดมันจะอ่อนลงไปมีความคิดแบบประเภทรักคิดอันนี้สองคือความคิดแบบตั้งใจคิดเวลาเราทําการทํางานเราต้องใช้ความคิดอันนี้สังเกตดูเมื่อเราใช้เสร็จมันก็จบนะอันนี้อันนี้ยังต้องใช้อยู่แต่ในช่วงที่มาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยความคิดทั้งสองอย่างนี้นะทิ้งไปเลยไม่นองมาสนใจเลยกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวบางทีเดินไปเนี่ยเดิน ม, มาเนี่ยนะ โอ้โหมันมีความคิดแจ๋วขึ้นมาเลยมีโปรเจกต์เด่นเดนขึ้นมาเลยอย่าไปสนใจเลยทิ้งไปเลยนะไม่ต้องมาตามมันเลยแล้วไม่ต้องกลตัวนะทําไปแล้วเฮ้เดี๋ยวเรากลายเป็นคนเออหรือเปล่าคิดไม่เป็นอะไรอยี้ยไม่ต้องกลัวเลยถ้าเรทาทํำแบบนี้ได้เนี่ยสติคือความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการจัดระเบียบความคิดอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิดแล้วเวลาออกไปทํางาน มันจะทำให้ความคิดที่เป็นความคิดตั้งใจคิดหรือความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันจะเด่นขึ้นแล้วมันจะเฉียบคมขึ้นเรียกว่ามีความคิดที่เฉียบคมและความคิดจกุกจกจ ก, กมันจะน้อยลงเวลานอนเราก็จะนอนได้สบายไม่ต้องไปเก็บมาคิดอะไมันวุ่นวายใจนะอันนี้นก็เกิดผลจากการที่เราเจริญสตินั่นเองทีนี้ในการเจริญสติเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าสําหรับคนไหนก็ดีคนเก่าก็ดีนะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค สิ่งที่ทําให้เราไม่อยากทํามันมีอยู่สี่ห้าอย่างนะซึ่งจะต้องเจอนะหนึ่งความเบื่อสองความฟุ้งซ่านสา 3. ความสงสัยลังเลสี่ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรพวกนี้โดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยนะจะเจอความเ่วงในี่ยมามันช่วยให้เราไม่อยากทําอ่ะนั่งทําซ้ํา้ำซัำซำซกๆมันโอ้โหมันล่วง มันเบื่อจะตายมาทําอะไรซ้ซําๆซักๆหรือบางคนอาจจะเกิดความคิดวนะ่าเอ๊ะพระเจ้าสอนอย่างนี้เหรอไม่เคยได้ยินไม่ได้ฟังอันพระไตรปิฎกก็ไม่เคยมีเนี่ยนะไม่ใช่ละมั่งอันนี้สงสัยแล้วมันก็ไม่อยากทำใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่ามือบอลนะมันจะมากางกั้นไม่เราทําต่อเพราะนั้นจะเจออามแบบนี้เนะี่ยเลยอยู่มันเลยถ้ามันเมื่องชวนให้เรานอนเราไม่นอนตาโตใส่มันเลย อย่าไปตาตีห <intent>? ลับจกมือไม่ไหวช้าลงไปนะยกแรงๆขึ้นมาเลยนะตาตื่นขึ้นมาลุยกันมันหน่อยถ้านั่งมันจะงเมื่องอยู่ทำเลยแล้วมันก็จะเื่องลุกเดินเดินโยงกลมนะเดินการเดินมันจะมันจะช่วยหายเมื่อยท่าเดินแล้วยังไม่หายเมื่องเดินถอยหลังดูเดินเดินมน้าถอยหลังอย่างเงี้ยคือแก้แก้อารมณด้วยตัวเราเอง นะตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้มันและจากตรง น, นี้ไม่เองนะสิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ในการที่เราจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะความเรื่องเลยก็เป็นธรรมะความฟุ้งซ่านก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะที่จะให้เราเรียนรู้อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่สุดของความเรื่อยคือความตืม่น เพรนั้นถ้าเราดูเรื่องไปเรียมันมันเป็นจุดมันปุ๊บมันมันหลับมันไปหนึงันจะตื่นขึ้นมาทันทีนั่นแหะสติมันตื่นขึ้นความฟึ้งซ่านก็เหมืนกันมันก็เนาการของความของความคิดที่มันจะแสดงตัวออกมาที่มันจุะฟึ้งขึ้นมาหลวงพ่อเทียนบอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้ยิ่งคิดยิ่งรู้เรียกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่จะให้เรารู้อย่าไปปฏิเสธมันความฟุ้งซ่าน แต่เราไม่ได้เจตนาที่จะไปคิดในีมันฟุ้งซ่านนะมันจะฟุ้งของมันเองเพราะเราเคยชินที่จะทําแบบนั้นแล้วเรื่องราวต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาในอดีตก็ดีหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เราจะไปในอนาคตตรงนี้มันจะฟุ้งซ่านไม่ต้องไปปฏิเสธมันรู้มันการรู้ว่าถอกลับมารู้สึกตัวกับมารู้สึกตัวอย่าไปตามนะมันฟุ้งซ่านแล้วมันคิด เกิดขึ้นต้องดูแบบไปอะไรไม่ต้องไปอย่างนั้นเลยแต่ก่อนธารมาเคยอ่านหนังสือเขาบอกให้ตามดูนะจิตมันคิดยังไงมันเกิดขึ้นยังไงมันดำเนินไปยังไงมันดับไปยังไงอะไรมันมันหลงไม่กับความคิดแล้วเพียงแค่มันคิดขึ้นมาปุ๊บกัดมันรู้สึกตัวแค่เนี้ยจบไม่ต้องไปดูรายละเอียดแรกๆอย่าไปดูรายละเอียดมากอย่าไปวิเคราะห์วิจารณ์มากแค่กัดมันรู้สึกตัวง่ายก่อนทําตรงนี้ก่อนทําบ่อย ทำไปเรื่อยๆหรือสติมันจะคมชัดขึ้นรายละเอียดมันจะแสดงออกมาเองแล้วสติสัมปชัญญะเขาจะทําหน้าที่ในการเรียนรู้อสอดสอง่งในธรนะที่ละเอียดเข้าไปเองโดยที่เราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเราเพียงแต่สร้างเหตุน่ก็คือทําความรู้สึกตัวให้ด้ยบ่อยๆให้ด้ยบ่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะไวขึ้นนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะนั้นเมื่อเรารู้กายเราก็รู้ ความรู้สึกคือเวทนารู้จิตจิตเนี่ยก็คือความคิดนั่นแหละความคิดดีความคิดไม่ดีความคิดที่ตั้งใจคิดกับความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดมาสารพัดนอกจากนั้นก็มีอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธอะไรต่างๆเนี่ยแสดงใหม้มันเกิดขึ้นมาสแสดงให้เราดูธัมมะเขาสแสดงให้เราดูเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นภายในตัวเราถ้าเราเห็นได้บ่อยๆไล่ๆบ่อยๆไล่ๆเๆน่ยมันจะเกิดการปล่อยวางเองไม่ต้องไบอกว่าต้องจิตว่างนะต้องปล่อยวางนะไม่ต้องบอกเลยนะเขาจะทำหน้าที่สติสัมปชัญญะเขาจะทำหน้าที่แล้วมันจะเกิดการปล่อยวางเองโดยอัตโนมัติเพียงแค่เราสร้างเหตุทั้นั้นเองเพราะนั้นการเรียนรู้จเจริญสติไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความจาใช้ความรู้สึกตัว เพพาะหน้าจะพาะหน้าทีละขณะทีละขณะขเป็นเรื่องที่เราจะสัมผัสได้ตรงๆ<ร>ถ้าเราไปใช้ความคิดมันอ้อมคอมละไปใช้สิ่งที่เราจดจํามันก็อ้อมละเราใช้ตรงๆรู้สึกที่กายขึ้นไปต้นไปตรงมาไม่ต้องไปคิดรู้สึกนะมีบางคนมัไปคิดเอ๊ะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้คิดไปละหรือบางทีอ่านหนังสือมากก็ไปเทียบกับหนังสืออ๋อเขาว่าอย่างนี้อ๋อเขาวอกอย่างนั้นทิ้งนม่หมดเลย ความจําในสมมติฐาที่เราเคยเรียนมาทิ้งให้หมดเลยมารู้สึกตัวสดๆเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีลนนะขณะทีละขณะนะนะความฟุ้งซ่านความเมื่องบางทีทำไปไม่โพลนะมีปิติซาบซ่านขนลุกขนพองขึ้นมาตัวเบานะคิดว่าโอ้โหเนะี่เยี่ยมแล้วใช่แล้วแน่นอนแล้วทาตอนเช้าเนะี่ยโอ้โหมันเบาสบายพอมาตอนบ่ายหุ่นมันหนักหายไปไหน เ <t une> ป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราลงรู้ทุกทุกอารมณ์ทุกๆอาการที่เกิดขึ้นทุกๆความคิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาที่เกิดจากการสัมผัสรู้ <S <S 2> <S 2> รเกิดจากการที่เราใช้ความรู้สึกตัวจากการที่เราทําหรือพัฒนาขึ้นมา เขาจึงเรียกว่าภาวนาเมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติภาวนาคือพัฒนาเนี่ยคําว่าภาวนาไม่ได้หมายถึงไปไปภาวนาเบนอะไรไม่ใช่นะภาษาไทยเราใช้กันคลาดเคลื่อนมากภาวนาคือพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาความรู้สึกตัวพัฒนาสติให้มันฉับไวขึ้นให้มันเห็นได้รู้ขึ้นให้มันเห็นได้ไวขึ้นทีนี้ในการฝึกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะ ช้ า, บา่บ้างโลบ้างไม่เป็นไรนะบางทีมันก็หลงไปบ้างช่างมันไม่เป็นไรหลงแล้วแล้วไปทิ้งไปเลยเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่จะกลับมารู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าไปลงโทษตัวเองอย่าไปต่อว่าตัวเองว่าทําไมเราทําไม่ได้ทําไมเราไม่รู้สึกตัวสักทีทํามาเจ็ดวันแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เป็นไรนะอันนั้นเป็นประสบะการณ์เพราะฉะนั้นประสบะการณ์เนี่ยครูที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เราทํา ประสบการณ์เราน่ะเป็นครูที่ดีที่สุดที่จะสอนเราสอนให้เราไม่หลงสอนให้เรารู้เราเรียนเราได้ปัญญาจากกิเลสเราได้ปัญญาจากความหลงนะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ให้เกิดขึ้นได้นะด้วยความเพียรด้วยความพยายามนะด้วยความอดทนเพราะฉะนั้นคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยขอให้อดทนนะมันยังไม่รู้อะไรไม่เป็นไรอดทนทำไปก้มนหน้ากมตาทำไป เดินจงกรมสร้างจังหวะให้เวลากับการมาอยู่ที่นี่เนี่ยกับเรื่องเนี้เต็มที่งานที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องทําคือเจริญสติงานอาอื่นเป็นเรื่องลองทำไปตามความเหมาะสมเมื่อเวลาที่เราเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้ทุ่มไปกับเรื่องพวกนี้จะได้พิสูจคําพูดของหลวงพ่อเทียนก็ดีของพระเจ้าก็ดีที่ท่านบอกว่า จ ะ, จะเตือนสติอย่างต่อเ น, นื่องเนี่ยพทธเจ้าบอกว่าอย่างเร็วที่สุดภายในหนึ่งวันหึือเจ็ดวันอย่างกลางคือเจ็เดือนอย่างช้าที่สุดเ็ดปีอันนี้พธเจ้าพูดไว้นะแต่หลวงพ่อเทียนบอกว่าหนึ่งวันหรือเก้าสิบวันอย่างเร็วอย่างกลางหนึ่งปีอย่างนานสามปีความทุกข์จะลดลงนะครับไม่ต้องไปพูดนะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอ น, น า, นนานคา ม, มีเรไม่ต้องพูดถึงเลยเอาว่าเราไม่ทุกข์กับพอแล้ะ เอาไหมถ้าเอาก็ลองทําดูอย่าเพิ่งเชื่อในคําพูดของครูบาอาจารย์ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยไม่ต้องไปโอ๋โเราสงสัยเราเป็นคนปัญญาทึบเราคงไม่รู้เรื่องเราเราทำไม่ได้มันเกินกว่าที่เราจะทําได้อย่าไปดูถูกตัวเองคนเราเนี่ยทุกคนนะมีธาตุแห่งพุท ธ, ธะอยู่ ถ้าหนึ่งพุทธะก็คือความรู้ตื่นเบิกบานนั่นเองความรู้สึกตัวนนั่นเองที่มันมีอยูแ่แล้วแต่เราไม่ได้พัฒนาเราไม่ได้เจรณาในเหมือนกับเพชรน่ะเพชรที่มันอยู่ในฝังดินมันยังไม่ไเอามาเจรณาในเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ก็คือการที่เรามาเจรณาในใจของเราให้มันมีสติให้มันคมชัดให้มันแวววาวขึ้นมาให้มันรูน้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนักคิดที่มันแสดงออกมาเมื่อ ธรรมะที่สแสดงจริงๆคือตรงเ น, นี้ที่มันจะออกมาให้เรารู้ออกมาให้เราเห็นออกมาให้เข้าใจแล้วมันก็เกิดการปล่อยวางนะจุดมันก็จะคลืนสู่ความเป็นปกติได้บ่อยๆเพราะนั้นเป้าหมายของการที่เราเจะเรียนสตินี่ก็คือการที่เราพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วกลับมาสู่ความเป็ น, นปกตินั่นเองจิตที่ปกตินี่แหละถ้าเราปกติได้บ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ย มันจะทำให้ติตใจลรามันคงไม่หวั่นไหวจิตใจสงบยือกเย็นเป็นสงบแบบตื่นรู้นะไม่ใช่สงบแบบนิ่งสงบแบบนิ่งคือไม่รับรู้อะไรมาซึ่งอั้นเนี่ยไม่ติดปัญญาแต่สงบที่เกิดจากการตืน่นรู้เนี่ยมันจะเป็นปัญญาเราอยู่ที่นี่หรือจะอยู่ที่ไหนมันจะติดตัวเราไปไม่ต้องไปอาศัยสภาพแวดล้อมที่มันจะต้องสมงบตลอดเวลาดูในที่เล่นบายเราก็สงบได้ เื่งตาเราก็สมุดได้วิจาั่นหลับตาเราก็สมุดได้นะอนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่ใช้ได้ทุกการเวลาสถานที่ซึ่งเป็นเรื่องที่หน้าพิสูจน์น้าทดลองและหน้าที่จะต้องทำภารกิจดุลินวางไว้ก่อนนะมาทำเรื่องนี้ให้เต็มที่นะโดยเฉพาะกลุ่มที่มาเจ็ดวันนะก็ขอให้ทำเรื่องนี้เต็มที่ลดการพูดการคุย การสังสรรค์สันทนาการการคุกคีมือยุอพะที่บวชใหม่ก็ไม่ได้ทราบว่ามีสามรูปกินะจวัตรประจําวันนอกจากบิณฑบาตฉันนี้ช่วยงานส่วนรวมแล้วน่ยขอให้ใช้เวลาที่มาอยู่กับการเจริญสตินะเพราะว่ามาบวชแค่ชั่วคราวบางรูปอาจจะสองอาทิตย์บางรูปอีกเดือนหนึ่งขอให้ใช้เรื่องนี้ใช้เวลากับเรื่องเนี้เพื่อว่าเดี๋ยวสึกออกไปน่ยจะได้เอา สิ่งที่ติดตัวก็คือความรู้สึกตัวที่เกิดจากการพัฒนาเนอาไปใช้ได้นะถ้าเรามาบวชแล้ ว, เ, ลวเราไม่ได้ทําเรื่องนี้ก็น่าเสียดายโดยเฉพาะมาที่วัดป่าสุกโตเนะาะมาเพียงแค่มาบวชตามประเพณีมากินกนนอนนอนเยงานส่วนรวม น, นิดนิดหน่อยๆยแล้วก็ไม่ได้เทวนสตินี่น่าเสียดายมากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะเชิญชวนนะชักชวนให้มาทําเรื่องพวกนี้นะให้เป็นที่มานะพิสูจน์ ธรรมะที่พุทธโอพระพุทธ อ, องค์ได้ตล่าไว้พิสูจน์สิ่งที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อขุนเขียนได้พูดไว้จริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิสูจน ะ, ะถ้าเราพิสูจน์เนี่ยเมื่อเรามีศรัทธาเนี่ยศรัทธาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็เป็นศรัทธาในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดจากการปฏิบัติแล้วได้ผลเนี่ยมันจะเป็นศรัทธาที่มัน่นะคงนะสิ่งตรงนี้ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้ นะเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนชักชวนพวกเรามานะทำเรื่องพวกนี้มาให้นะเต็มที่นะอย่างนี้บางทีทําไปอาจจะเครียดบ้างตึงบ้างเพ่งจ้องบ้างไม่เป็นไรค่อยๆปรับใบไม้มันจะอย่างนั้นแหละนะค่อยๆปรับไปย่างนีๆด้วยถ้ามันเบื่อมันเซ็งก็แก้อารมณ์บ้างก็ได้บางทีมันเดินซ้ําๆซักๆอ่ะอาจจะไปกวาดใบไม้นะอาจจะไปทําอะไรนิดนิดหน่อยพอมันคลายอารมณ์แล้วก็มาทําใหม่ นะอันนี้ต้องต้องมีเขาเรียกว่ามีปัญญาในการที่อกแกลมของตัวเองด้วยแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆมันติดตันจริงๆนะก็มีกรูบาอาจารย์มีกาลยาณมิตรนะที่จะเป็นเพื่อนที่จะแนะนำในฐานะที่เขาเดินมาเดินเดินทางมาก่อนเ็าจะชี้แนะได้นะตรง น, นี้ก็ที่วัดป่าสุขกโตเราก็จะมีสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็คือสถานที่สัปะยะ อาหารสัพพยะคูบ า, าจารย์สัพพยะนะฮะอันเนี้ยเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้การเจริญสติบของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปนะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องช่วยตัวเราเองเต็มที่นะอัตหิอัตโนาตนาติต้นเป็นที่พุ่งเห่งตนนะไปพุ่งคนอื่นเนี่ยมันมันมันได้ผลน้อยเราต้องช่วยตัวเองแล้วการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ย มันต้องทำเองมันซื้อไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใครจะมาทำแทนก็ไม่ได้แต่ถ้าเราทำของเราเองมันก็จะเกิดผลกับเราเองนี้นเป็นสิ่งที่เออน่าสนใจน่าจะได้ทดลองน่าจะได้ปฏิบัตินะฮะนนในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอสรุปว่าความรู้ความเข้าใจปัญญาเนี่ยขอให้พัฒนาไปถึงภาวนามยตปัญญาอย่าไปติดแค่ สุตะมยปัญญ า, รราคือการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญ า, รราคือการคิดค่อยค้หาเหตุหาผลเราต้องเอาสิ่งเหลนะ่านี้ยไปลงมือปฏิบัติเกิดเป็นภาวนาพยปัญญาเป็นปัญญาระดับสูงสุดซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัติซึ่งวิธีการที่ว่าปาสุกโตก็คือการเจริญสติกับการเคลื่อนไหวนี้เองตรง น, นี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับปัญญาในระดับสูงสุดในพุทธศาสนา เพราะนั้นเราเกิดมาเป็นชาวพุทธในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็อย่าให้เสียดายอย่าอย่าอยาเกิดมาแล้วไม่ได้ปัญญาระดับสูงสุดเพราะฉะนั้นมีอไปเลยนะอาตมาชอบคำที่หลวงพ่อเทียนไออหลวงพ่อกำเขียนนั้นบอกมีอรอกันหน่ยการปฏิบัติต้องมีอรหน่อยนะอย่าไปอ้อแออ้อแออ่อนแอไปเจอความเบื่อก็ถอยแล้วเจอความน่วงก็ถอยแล้วเจอฟึ้งซ่างก็ถอยแล้วไปหาทางอย่างอื่นไปซึ่งตรงเนี้ยน่าเสียดายมาก แต่มาก็สังเกตเหมือนกันนะคนมาวัดป่าสุโขโตบางทีก็ตั้งใจมาอย่างดีแล้วนะจะปฏิบัติแต่พะทาไปวันสองวันโอ้ไม่ไหวแล้วเบือ่อทละก็ไปทำกิจกรรมอื่นไปซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียดายหรือบางคนก็กลับไปเลยนะเพราะว่าไม่สู้นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็งความอดทนความเพียรพยายามทาอย่างต่อเนื่องนะตรงนี้ก็จะทาให เกิดผลขึ้นมาได้อย่าเพิ่งเชื่อนะไปพิสูจน์ดูไปลองทำดูก่นะอนเนาะอะก็พูดมาพอสมควรนะอาจจะมากไปนิดนึงนะก็ในท้ายที่สุดนีนะ้ขออ้างอิงเอาคุณของพระศรีรัตนไตรยัยนะก็คือพระพุทธรธรรมพระสงฆนะ์มาเตือนจิสตสกิจใจของพวกเรานะให้ได้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้มารู้สึกตัว ที่กายที่ใจของเรานำะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราด้วยความเพียรพยายามความอดทนความมีสติสัมปชัญญะนะความเพียรพยายามนะคงจะเป็น่อให้เป็นพระว่าปัจจัยหนุนนำให้พวกเราได้พบกับสันติสุขนะในใจก็คือความเป็นปกติของใจนะอยู่ทุกเมื่อเช้าวันในปัจจุบันชาตินี้โดยชุ่นากันเทินทเจริญพร